่วาไปกลับเรียนหลวงพ่อเพิ่มเติมค่ะไม่ไ ม, ไม่ทราบว่ายัางหนูควรจะต้องปล่อยบังคับใจมากไปค่ะยังทื่อๆอยู่รู้สึกไหมค่ะปล่อยซะยังไม่เป็นธรรมชาตินะธรรมดาที่สุดดีที่สุดแต่นี้เกินธรรมดาหน่อยหนึ่งนะบังคับอยู่การภาวนาไม่ใช่การบังคับ ต, คตัวเองการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ความจริงของกายของใจกายกับใจมีความจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราให้เราเรียนให้เห็นแค่นี้เราไม่ต้องไปบังคับให้ดหีไปตรึงให้นิ่งนิ่งไปรู้สึกไหม ม, ม, มันเกาะไว้รู้สึกไหม<ะ>ไปเกาะนิ่งนิ่งไว้ปล่อยซะอันนั้นไม่ใช่ทางการไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ไม่ใช่ทางนะ ทางคือปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานตามธรรมชาติแล้วตามรู้ไปอย่าไปเกาะไว้นะปล่อยออกไปไม่เรียนมาจากใครเนี่ยคือกลัวว่ามาผิดทางเพราะตัวเองเป็นคนคิดเยอะชอบคิดนะนิ่งปั๊บคิดพุกเลยแล้วก็หลุดบ่อยในความเป็นจริงทุกคนคิดตลอดเวลาไม่ใช่คุณคิดเดยอะคนเดียวหรอกมีใครไม่คิดไม่มีอะจิตมีธรรมชาติคิดนี่พอเขาคิดไปแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์ เกิดกุศลเกิอดอกุศลเรามีหน้าที่ตามรู้ไปนี่ถ้าเรากลัวก็จะไปเราก็ไปตรึงให้นิ่งคอานี้คิดอะไรก็เฉยลูกเดียวไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงในใจให้ดูนั่นถ้ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูมันไม่เห็นไตรลักษณ์นะเราต้องการดูความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่นอกการบังคับด้วย บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงคืออนิจจังบังคับไม่ได้คืออนัตตาเั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามความเปลี่ยนแปลงหรือตรึงความรู้สึกให้นิ่งต้องปล่อยตัวนี้ออกถ้าปล่อยเราก็จะเห็นกายเห็นใจเขาทางานตามที่เขาเป็นจริงๆนะเขาเปลี่ยนแปลงนอกเหนือการบังคับอย่างใจเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดรู้สึกไหมตอนที่ใจหนีไปคิดเนเราห้ามไม่ได้ นอกเหนือกา ร, บ, ารบังคับใจจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลลบโกดหลงอะไรขึ้นมาเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้้เราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยที่เราบังคับไม่ได้ไปให้นิ่งนะนิ่งเกินไปไปแก้ก่อนเดีย๋ยวนี้แก้ไม่ตกไปไหนไม่ได้แล้วถ้าจะไปผ่าซ่อนแก้วนี่กังวลเลยไม่กังวลสิ กังวลเรื่องอะไรเรื่องภาวนาไม่ดีหรืออะไร อ, ะะอย่าอยากดีนะมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีดีกว่าอยากให้มันดี <ผม S 1> อยากเสียเวลาที่นูนะเสียแน่นอนเลยถ้าทำจิต <c oughs> ไปแบบนี้ยล้ <c oughs> ตอนนี้ก็เสียเปล่ า, <c oughs> าหายใจทิ้งเรื่อยๆไปมันไม่ใช่สติมันเป็นการบังคับตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองให้เรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ให้บังคับ ใจหนีไปละรู้สึกไหมให้หนีไปไม่ใช่ห้ามหนีนะให้หนีไปแล้วก็รู้ว่ามันหนีไปแล้วเ น, นี่ยตอนเนี้ยมันไปคิดแล้วรู้สึกไหมให้รู้ว่ามันไปคิดแค่ตามรู้เฉยๆรู้สึกว้าใจมันจะโล่งขึ้นมาดีกว่าไปอัดไว้ถ้าอัดไว้แล้วใจก็เฉยๆกี่ปีกี่ชาติก็เฉยนะตายไปไ ป, ไปเป็นพระพรหมเฉยเป็นกลับๆเลยคราวนี้ยนานจนโลกแตกก็ยังเฉยอยู่นั่นแหละ ไม่มีใจรักให้ดูที่ปฏิบัติผ่านมาถือว่าดีแล้วใช่ไหคะเพียงแต่ว่ายังตรึงอย่ยังไปตรึงอยู่ตรงเนี้ยอีบตรึงไม่ปล่อยไปแล้วก็คอยรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เขาเปลี่ยนแปลงคอยรู้ไปเรื่อยๆแต่ถูกทางแล้วนะเออถูกแล้วละ่ะอีบีตรึงไว้ก็แล้วกันขอบพระคุณกลัวไม่ถูกกลัวไม่ดีกลัวไม่บรรลุให้รู้ลงไปที่กลัวนั่นแหละแล้วก็บรรลุง่ายๆเลย รู้ลงไปหน้าไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงเบอร์27บเจบังคับนิดหน่อยาพูดกันยังไม่ทันพูดเฉลยไปเร็วไปเรามันคนใจร้อนก็ก็บังคับอยู่ค่ะตอนแรกสบายกว่านี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็มาเริ่มบังคับมันก็แล้วใจก็ไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อค่ะเปลี่ยนไปสึงไหมใจไม่ถึงฐานใจลืมเนื้อลืมตัวใจอยู่นอกนอกรู้สึกไหม เนี่ยคนไหนได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วชอบมาถามว่าใจถึงฐานเป็นยังไงก็ไม่เคยถึงฐานมันก็ไม่รู้หรอกอย่าถามเลยถึงฐานแล้วมันก็รู้ของมันเองถึงมันรู้สึกตัวได้เต็มที่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บังคับอย่าไปกังวล น, นะออถึงเหมือนกันแหละไม่ใช่เลยกรุ่มใจว่าตายแล้วเราไม่ถึงฐานเลยถึงเหมือนกันถึงเหมือนกันเดี๋ยวตกใจภาวนาเสียหมดมีอะไรแล้วคะอะไรนะ ก็วันนี้พาเพื่อนมาไม่มีอะไร่ะถูกแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่สิ่งที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปในโลกนี้นะเขาอยากให้มีอยากให้เป็นทั้งที่ความมีความเป็นนั้นไม่มีอยู่จริงอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากดังอยากอะไรอยากเด่นอยากโน่นอยากนี่ไปได้อยากมีเมียหลายๆคนนะสมมติ อยากไปเยอะแยะนะอยากมีอยากเป็นความมีความเป็นมันไม่ใช่ของแท้แท้อยู่ชั่วคราวเนี่ก็หายไปไปเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรมีความไม่มีนี่ในขณะที่ทางโลกนนะไม่มีความมีในโลกเนี้ยไม่มีความมีคือกายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์อะไรที่เราว่ามีจริงๆเนี่ยตัวเราตัวเขา ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นในโลกไม่มีความมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเราเขาไม่มีแต่ในทางธรรมมีความไม่มีความไม่มีอะไรความไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาฟังเหมือนปรัชญานะแต่ว่ามันแท้ๆอย่างนั้นเลยหลวงปู่มั่นไปแต่งกลอนบอกมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกนี่เห็นไหมล้าลึกนะไม่ใช่กระจก มีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ร้ำลึกมีอะไรมีความไม่มีไม่มีอะไรไม่มีขันไม่มีทุกเนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็จะเป็นนิพพานส่วนเราอยากมีอยากเป็นมันก็เป็นโลกเป็นโลกอยู่กับโลกก็ทุกไปเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแปรขึ้นแปรลงไปได้ได้ๆน่าสงสาร ค่อยฝึกนะฝึกแล้ววันหนึ่งจะมีความไม่มีความไม่มีนั้นน่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีขันมันไม่มีทุกไม่มีกิเลสแต่มันมีความสุขมหาศาลอยู่ในตัวมันเองมันอัศจรรย์ที่สุดในบรรดาสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายอันศีลทั้งหลายนะนิพพานนี่อันศีลสุดๆเลยนะสุดๆเลยนะ อันซีนอย่าง โ, โ, โ, โรคโถะกระจอกงอกง่อยไปเจออะไรมาหน่อยหนึ่งบอกอันซีนจะ <irrelevant> เจอนิพพานเรารู้เลยโอ้โหนี่สิของจริงๆนะไม่มีขันไม่มีธาตุไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีความไม่มีอะไรมีแต่ความสุขล้วนๆนทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหายไปไหนเที่ยงด้วยเนี่ยเราอยากให้ร่างกายจิตใจเที่ยงมันไม่ยอมเที่ยง เราวิ่งหาความสุขความสุขมันก็ไม่เที่ยงอยู่กลายเป็นทุกข์ไปอีกถ้าเราเจอความไม่มีอะไรนี่ไม่มีไม่เป็นอะไรนะมันกับเที่ยงนะมันกับเที่ยงอยู่อย่างนั้น่ะความไม่มีไม่เป็นอะไรมันเที่ยงอยู่แล้วมันมีความสุขสุขสุดๆเลยเวลาจิตใจที่เข้าไปสัมผัสกับความไม่มีไม่เป็นอันนี้นะจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยธาตุขันมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์ไปจิตใจก็ทางานปกติ แหว่งไปแหว่งมาส่งไปส่งมาได้นะไม่ใช่ไม่ส่งออกพระราหันก็มีจิตส่งออกโนวู่ดูลย์สอนทีแรกท่านสอนบทแรกแล้วนะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตส่งออกนอกเพราะจิตต้องไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่งั้นมีตาก็เหมือนไม่มีนะเหมือนตาไมา้มีหูเหมือนหูหมอ้อ ฟังอะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องรับรู้อารมณ์มันรับรู้อารมณ์ได้เพราะว่าจิตมันส่งออกไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คนทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยเมื่อส่งออกไปรับรู้แล้วมันกระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายการที่จิตส่งออกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายเป็นสมุทัยนี่บทที่สองนะเป็นสมุทัยจิตส่งออกนอกแล้วไปรับอารมณ์แล้วไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยเป็นมั๊กนะ มีผลเป็นนิโรธท่า น, นก็ตอบตอบไปอีกบอกว่ากระทั่งจิตของพระอริยะเจ้าคือจิตพระอราหันนะก็ส่งออกเพราะพระอราหันก็ยังมองเห็นยังได้กลิ่นยังได้รสยังได้ยินเสียงยังรู้สัมผัสไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ซื่อบือ้อเป็นพระอราหันต้นไม้พระอราหันก้อนหินหลายคนฝึกเพื่อจะเป็นอราหันต้นไม้และก้อนหินนะฝึกจนหมดความรู้สึกไม่ใช่อย่างนั้น พระรหันยังรับรู้อารมณ์ตามธรรมดานั่นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรับรู้อารมณ์แล้วก็ยังมีการทํางานทางใจด้วยที่เรียกว่าชวนาจิตชวนาจิตของพระรหันก็มีคิดนึกได้ปรุงแต่งได้แต่ชวนะจิตของพระรหันเขาเรียกว่ากิริยาจิตมันทำงานไปอย่างนั้นเองไม่ได้ถูกหยิบถูกฉวยขึ้นมาถ้าถูกหยิบถูกฉวยขึ้นมานะถ้าเป็นฝ่ายดีเขาเรียกมหากุศรจิต ถ้าเป็นฝ่ายชั่วเขาเรียกว่าอากุศลจิตทำไมไม่เรียกมหาอากุศลก็ไม่รู้นะที่กุศลแล้วเรียกมหามหากุศลจิตพออากุศลนะดูถูกหน่อยๆเรียกว่าอากุศลจิตทะารหันนะไม่มีมหากุศลจิตไม่มีอากุศลจิตมีสิ่งที่เรียกว่ากิริยาจิตแต่มีมหาด้วยใสยมหาอีกแล้วชอบเรียกมหากิริยาจิต งไม่ใช่จิตของมหานะมหากริยาจิตนี่เป็นจิตที่รับรู้อารมณ์จิตที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งนี่แหละแต่ไม่เสวยอารมณ์ไม่เสวยเวทนานะไม่เสวยรู้อารมณ์แต่ไม่เสเวยอารมณนะ์ไม่เข้าไปก่อไปเกี่ยวรู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ไปแล้วก็มีความสุขไปมีความสุขสุดๆเลยนะสุดสุด ข, ขีตมันก่อนไปสาราลุงชินทาภูบ า, าไปด้วย ผูบาไปนั่งฉันก๋วยเตี๋ยวอยู่กับหลวงพ่อฉันเสร็จแล้วก็ทิชชู่เช็ดปากก็ปั้นเป็นก้อนๆมีถุงก๊อฟแกลบใบหนึ่งเอาไว้ทิ้งขยะบนโต๊ะบาโยนเงี้ยโยนไปปุ๊บนะเห็นเลยเฮ้ยกิริยาที่โยนเนี่ยนะเซิฟมาณัตตาแค่โยนลงไปเนี่ยนะมันมันประกาศความเป็นตัวตนขึ้นมาแล้เห็นจิตที่ประกาศความเป็นตัวตนอัศจรรย์ไห ดูได้ละเอียดแค่โยนกระดาษโยนไม่ใช่อย่างนี้รุนแรงนะแค่โยนเงี้ยแทนที่จะส่งไปวางเรียบร้อยดิดปุ๊บเงี้ยเข้าไปโยนนี่เห็นเลยกริยาที่โยนเนี่ยเบื้องหลังของมันคือมาน า, าตามันประกาศความมีตัวเรานี่แหละเราเราต้องเป็นอย่างนี้แหละเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะนี่ประกาศมาพอเห็นปั๊บนี่นะจิตนี่เบิก บ, บานที่มาชับพลันเลยหลวงพ่อเดินออกไปจากร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วรายนี้ยังไม่รู้เลยหลวงพ่อออกไปแล้ว เมื่อต่เห็นการทำงานอยู่ภายในนี้นะเสร็จแล้วโอ้สองพ่อคงไปเข้าห้องน้ำไอเราไปรออยู่ข้างนอกรั้งนานแล้วเสร็จแล้วเดินตามออกมาจิตใจนี้มีความสุขสดชื่นออกมาเลยนายชี้ให้ดูนี่ขณะเดียวนะขณะเดียวที่อัตตาดับสลายลงมีความสุขขนาดนี้ถ้าดับตลอดมันจะขนาดไหนพูดแบบยั่วยั่วน้ำลาย มันจะขนาดไหนนึกไม่ถึงเลยนะจวบอกให้อย่างหนึ่งว่ามันขนาดที่ว่าธาตุขันของมนุษย์เนี่ยร่างกายจิตใจของมนุษย์เนี่ยแทบจะรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวเลยมันมีความสุขถึงขนาดร่างกายแทบจะแตกสลายจิตใจแทบจะระเบิดเลยมันสุขขนาดนั้นต้องอยู่ไปร่วมปีนะค่อยค่อคุ้นค่อยคุ้นเขาอยู่ได้หน่อยมีแต่ความอุเบกขาอุเบกขาแล้วก็มีความสุขนุ่มนวล ไม่ใช่ความสุขชนิดที่ระลึกถึงที่ไหลน้ำตาร่วงเลยนะไม่ใช่น้ำตาร่วงเพราะว่ามีโศกะนะไม่ใช่เศร้าโศกนะมันเกิดธรรมาปีติขึ้นมาหยุดมันเกิดธรรมาปีติงั้นฝึกนะฝึกไปนี่ช่วงเช้านี้เรียกรายการโฆษณาชวนเชื่อนะเรียกอะไรนะสินค้าตัวอย่างนะเผื่อจะอยากได้ อยากได้แล้วก็มาหัดรู้กายมาหัดรู้ใจนะจนเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีอะไรไม่มีความเป็นตัวเราไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานะก็มันไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยมันมีความสุขล้นๆ้นเลยที่มันมีความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะมันมีชาติชาติคือความเป็นตัวเราชาติคือความเป็นตัวเราดูยากนะไม่ใช่กระจอกงอกง่อยเห็นนะเห็นแต่ทุกข์เห็นก็เห็นตัณหาไม่ค่อยเห็นชาติหรอกน้อยรายที่ภาวนาเห็นชาติ ชาติก็คือตัวความรู้สึกมีตัวเราขึ้นมาประกาศอัตตาขึ้นมาพยองขึ้นมาหมาก็มีนะหมาก็มีอย่าภูมิใจนะว่ามีตัวนี้หมาก็มีไอ้เหลืองก็มีนะไอ้เหลืองนะเวลาใครมันรูปมันนะฉันก็หนึ่งเหมือนกันนะฉันเป็นหมาหลวงพ่อยิ่งใหญ่ หลวงพ่อยังไม่ใหญ่เลยมันใหญ่ <g ül> กว่าหลวงพ่ออีกเพราะมันสั่งหลวงพ่อได้ <g ül> ต้องการอะไรมันสั่งด้วยสายตา <g ül> มีอยู่คราวนะตอนนั้นอาร์ยังไม่บวชกูบาอยังไม่บวชอยู่สวนโพกันเช้าวันหนึง่งอาร์ไปทอดไข่เจียวอยู่ที่นากุติแม่ชินุนยังไม่บวชเหมือนกันทอดไข่เจีย ว, วฟูเช่เหลืองมันเดินมา <c oughs> เดี๋ยวจะต้องให้มันอันนี้ใหญ่ๆเงี้ย บอกว่าเดี๋ยวก่อนต้องถวายพระก่อนมันก็รอนะ่าถวายพระมาแล้วแม้ฉีก็แบ่งมานิดหน่อยเอามาคลุกข้าวให้มันมันมองเนี่ยนะใจมัน <c oughs> เสียศักดิ์ศรีให้แค่ให้แค่เนี่ยเหร อ, อาวาดภาพไว้อันใหญ่หมาก็คิดเป็นนะหมาก็มีมาน่าตานะเพราะงั้นใครมาน่าตาแรงอย่าภูมิใจนะ หมาก็มีแล้วหมาก็คิดได้ด้วยอย่างคนนี้บอกว่าคิดมากใช่ไหมหมาก็คิดทั้งวันเหมือนกันมีอยู่คราวหนึ่งนะ เ, เจ้าเหลืองเนี่ยชอบกินกล้วยชอบกินกล้วยน้ำว้ามันเริ่มกินเพราะมันอิดชานกเรากล้วยโยนไว้แล้วก็นกมันก็ลงมากินกินมันอิดช้ามันก็ลองไปกินดูเอออร่อยอ่ร <laughs> แต่นั้นชอบกินกล้วยน้าว้านะมีวันหนึ่งคนเข้ามาส่งแก๊ รถฟิกอัพที่ส่งแกส๊สเนะี่ยเขาเพิ่งไปตัดกล้วยมาสองเครือวางไว้สองเครืออาก็แกล้งให้เหลืองอุ้มมันขึ้นมาตอนนั้นมันเล็กกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วเกินอุ้มแล้วหลังเดี้ยงอุ้มขึ้นมาให้มันดูนี่ น, นี่เหลืองดูมีกล้วยน้ําว้าใจมันนี่นะสลดมูบเลยเว้จะเอาเราไปปล่อยแน่เลยโอจเจ้าเราใส่รถไปปล่อยนะให้กล้วยไปเป็นสเสบียงสองเครือ ถ้าไม่เห็นกล้วยนะใจจะไม่ตกใจเท่านี้นี่เห็นกล้วยรู้ว่า ม, มันรู้ว่าเรารู้ว่ามันชอบกินกล้วยโอ้โหใจนี่ฟอเลยหน้านี้ซีดเลยถอดสีเลยนะถูกทิ้งแน่รอบนี้หมาก็คิดเป็นนะเห็นไหมหมามีสัญญาด้วยเห็นไหมมีการจําได้ด้วยมีการหมายรู้ด้วยหมายรู้หมายรู้เนี่ยอนุมานเอาว่าน่าจะอย่างงี้อนุมานด้วยข้อมูลเดิมแต่ไม่ใช่คิดนะ คิดเป็นสังขารหัดภาวนานะมีความสุขมาก็ฝันได้ด้วยนี่มันมาอยู่นี่ใหม่ๆนะมันยังฝันว่ามันวิ่งอยู่ที่เดิมเลยหรือมีลูกหมาตัวหนึ่งไปไปเอามาเลี้ยงลูกหมาเล็กๆมันฝันว่ามันยังกินนมแม่มันอยู่ได้สัตว์ก็มีหัวใจนะอย่ารังแกสัตว์สัตว์ตน่าสงสารสัตว์ลําบากอยู่แล้วถึงต้องเป็นสัตว์กนะ็อย่าเป็นรังแก ภาวนาไปแล้วเราจะมีความสุขเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นมานะมีความรู้สึกเป็นมิตรเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์มีความสุขล้วนๆเลยไปถึงไหนละมัวเล่าสตาโตเห็นไหมแกงง่วงดีไหมกินข้าวแล้ว ง, ง่วงรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมความสุขเริ่มลดลงแล้วเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหม เนี่ยฮะแรู้ไปอย่างเนี้ยนะจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจเริ่มนิ่งลงนิ่งลงเราก็รู้จิตใจลอยแวบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยจิตหนีแวบไปเราก็รู้เนี่ยจิตไปอีกแวบหนึ่งละเราก็รู้จิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นเท่านี้แหละ <Okay. S 1> ถ้าทําได้แค่นี้ก็ภาวนาเป็นแล้วรู้สึกไหมดีใจอีกแล้วอ่ดีใจพอพนทุกพลร้อนละคนเราที่ก็แปลกนะ ไม่ไม่มาหานะก็หงุดหงิดไม่ยุติธรรมเงินหะงิ ด, งดอยากพูดเมื่อไหร่จะได้พูดเนี่ยวันนี้จะทันไหมเนี่ยกระวนกระวายนะพอไมเข้าใกล้ชักกลัวอึดอัดรับไมค์มานะพูดบ้างไม่พูดบ้างพอไมค์ไปนะดีใจอีกแล้วรูนะ้คนเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอา้าวขึ้นเองจิตมันเริ่มคลายบ้างแล้วค่ะไม่ค่อยเพ่งมากแล้วค่ะคลายแต่มันจเจ้าไปข้างนอก แต่มันไปรู้ข้างนอกเยอะอไม่รู้อยู่ข้างนอกมันเหมือนลอยลอยขึ้นมาอ่ามันลอยขึ้นมาลอยออกไปเอ้ยคุณมวลเมื่อกี้ดีมันลอยออกไปค่ะมันลอยไปหน่อยอะค่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อเช้ามันมีโมหะเยอะแล้วมันไปเกาะอยู่อตอนนี้มันก็มันลอยมันไม่เข้าฐานค่ะให้รู้ไปค่ะรู้อย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเข้าฐานของเขาเองไม่ต้องพยายามให้เข้าฐานนะค่ะถ้าพยายามแล้วทําผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาครับ นี่รู้สึกดีมากเลยครับเคยฝึกไหมเคยก็หัดฝึกอยู่ครับแต่ยังไม่ดีไม่ไม่ต้องดีนะทุกคนครับจิตใจเราดีเราก็รู้จิตใจเราร้ายเราก็รู้นะเรารู้อย่างที่เป็นรู้ซื่อๆื่อซื่อสัตว์ต่อตัวเองซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองมันรู้สึกยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆไม่นานก็เข้าใจแล้ง่ายนะจะมีแต่ความสุขมีความสุขมากเลยในโลกก็ความสุขมีเหมือนกันแหละแต่สุขแบบกระพร่องกระแกลงสุขกอไก่ มันไม่ค่อยสุก ข, ขอไข่หรอกใค่ฝึกไปอ้าวรินของคุณมันยังจงใจบังคับตัวเองมากไปนิดนึงคุณผู้ชายนะมันไปกดตัวเองไว้นิดนึงแต่อไปค่อยค่อยรู้ค่อยๆ่ยคลายคุณผู้ชายเนี่ยที่ส่งไมล์ตะเกียบ น, นะมันไปกดตัวเองไว้มากไปนิดนึงตอนนี้กดอยู่รู้สึกไหมไปกดอยู่แต่ไปไม่กดนะดปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวให้จิตใจมันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วเราตามดูไป ดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ดีก็ได้แต่ว่าถือศีลห้าไว้ห้ามชัว่วเอ้ารินหลวงพ่อคะ่ะเผล อ, อานานคะ่ะทําไงดีครับเป็นมานานแล้วคะ่ะทําอีกแล้วทำอีกแล้ ว, ลวให้รู้ให้รู้ทําไมเผลอนานมันขาดวิหารธรรมถ้ามีวิหารธรรมจะไม่เผลอนานจําไว้น่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ถ้าจิตใจไม่มีเครื่องอยู่จิตใจเป็นเด็กเร่ร่อนจอนจัด มันจรจัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกลับบ้านสิไม่ค่อยรู้เนืรู้ตัวหรอกงั้นเราต้องมีบ้านให้มันอยู่เอาพุทโธเป็นบ้านก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยเดินจงกรมเป็นวิหารธรรมก็ได้เดินเดินเดินเดินไปเรื่อยยังมีแรงเดินก็เดินเดินไปคือเป็นวิหารธรรมเห็นร่างกายเดินไปพอใจลอยไปแวบเดียวร่างกายมันเดินอยู่มันก็เกิดรู้สึกขึ้นมารู้สึกถึงร่างกายที่เดินอยู่ใจมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาไม่หนีไปนาน การที่ใจหนีไปนานเพราะไม่มีวิหารธรรมวิหารธรรมเนี่ยก็ดูในสติปัฏฐานจะเอาอะไรก็ได้นะกายเวทนาจิตธรมเอามาเป็นวิหารธรรมของรินดูความอยากกินขนมก็ได้ถ้าใจเราชอบขนมนะแ เ, เราบ้านเราขายขนมด้วยนี่ร้านรินชาเชียงซาวนะชื่อรินะดังนะร้านนี้งั้นรินใช้ สัณหาราคะที่อยากกินขนมเนี่ยก็ได้นะเราเดินผ่านทองยอดอุ้ยใจเราหยอดเข้าไปแล้วเราผ่านทองหยิบอุ้ยใจเราหยิบไปแล้วมือไปด้วยเราก็รู้นะมันไม่หยิบแต่ใจมือหยิบด้วยเราก็รู้เรากินสบายนี่ใช่ไหมอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าใจเราอยากกินขึ้นมาเรารู้หรือเห็นลูกค้ามาอุ้ยวันนี้ลูกค้ามาเยอะเลยดีใจวันนี้อยากจะไปเที่ยวอยากจะปิดร้านเร็วๆนะลูกค้ามาไม่เลิกเลยรถทัวร์ลงตลอดเวลางุ่นหญินนะ เมื่อไหร่จะไปไ ป, ไปให้หมดสักทีอีกวันหนึ่งเปิดมาครึ่งวันแล้วแมงวันเกาะไม่มีลูกค้าใจแห้งเลยเดี๋ยวขนมจะเสียรู้ลงไปที่ใจเนี่ยเนี่ยรินเอาการขายขนมของเรานี่แหละแล้วมาดูใจของเราเรื่อยๆคือมันเคยเดี๋ยวหลวงพ่อหาว่าอยากให้มันดีตลอดก็มันเคยแบบว่า <laughs> แบบคนมันเคยรวยคนมันเคย <c oughs> ดีมันเคยร <c oughs> ินรู้สึกว่ามันเคยรู้สึกตัวได้มากกว่านี้ อ, อย่ายากยาสิรินถ้าเวลามันเสื่อมโดยธรรมชาติของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อจเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมบางยุคบางสมัยบางวันมันเสื่อมอย่าตกใจถ้าเสื่อมแล้วเราตกใจเราจะยิ่งดิ้นยิ่งเราดิ้นมันจะยิ่งเสื่อมเพราะงั้นให้เรายอมรับสภาพที่จิตใจเรากาลังเป็นอยู่ ออมันหมองๆมัวๆเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มันดีกว่านี้รู้ว่าอยากเอามันมาดูเลยแล้วรู้มันด้วยความเป็นกลางรู้ความเสื่อมด้วยความเป็นกลางนะใจจะดีดผางขึ้นมาเลยดีขึ้นฉับพลันเลยนะแต่ไม่ได้ฝึกเอาดีนะฝึกให้เห็นว่าดีได้ก็เสื่อมได้เสื่อมได้ก็ดีได้ฝึกให้ให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ฝึกเอาดีตลอดฝึกดีตลอดดีตลอดไม่มีในสังสารวัตรนี้ มีก็ดีชั่วคราวสุขตลอดไม่มีในสังสารวัตรมีแต่สุขชั่วคราวครอบครองไว้ได้ก็ได้ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็หลุดไปหมดอีกคือฟังจากหลวงพอ่อหลวงพ่อก็พูดใช่ไหมคะว่ามันจะมีเสื่อมมีดีแต่ใจมั น, มนก็เหมือนยังยมไม่ยอมรับอะคะว่ามันเสื่อมกับเราพอใจมันไม่ยอมรับธรรมะนะใจก็ต้องมีความทุกข์นะยุติธรรมไหมใจปฏิเสธธรรมะใจก็มีความทุกข์ใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมะนะยอมรับความจริง จเจริญได้ก็เสื่อมได้เกิดได้ก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้อะไรนะพอเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมานะก็ไม่สะุกสถานใจมันยอมรับหรือทางจิตใจเนี่ยจเจริญได้ก็เสื่อมได้เพราะั้นตอนเสื่อมเนี่ยไม่ไม่กลุ่มใจรู้ว่าเสื่อมเห็นความเป็นกลางของใจที่รู้ความเสื่อมพอใจเราเป็นกลางปั๊บมันจะเจริญในฉับพลันนั่นเลยมันจเจริญเพราะใจเราเป็นกลางนั่นแหละไม่ใช่จเจริญเพราะไปทําให้มันดีตรงนี้เก็ตไหมตรงนี้ เจริญพ่อใจเราเป็นกลางนะเวลาหลวงพ่อสอนจะมีคีย <tte eighty> ์เ <commander> ว <hurting> ิร์ดเยอะไม่มีใครรวมนะถ้ารวมคีย์เวิร์ดคงเป็นปึกเลยเดี๋ยวก็เอาไปทะเลาะกันได้คนนั้นอ้างตรงนี้คนนี้อ้างตรงนั้นอ้าวดรแฮวดรก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเผอนานแต่ว่าตอนที่แบบนี้ครับพ่อแก่แล้วหูตึงช่วงนี้รู้สึกว่าเผอนานครับแต่ว่าตอนที่มันรู้ขึ้นมาเนี่ย ถ้ามันรู้แล้วรู้สึกว่าอารมณ์นั้นเราไม่ชอบเราก็จะใจไม่เป็นกลางอืมแต่ตอนที่อารมณ์ชอบเราสังเกตไม่ออกว่าใจเป็นกลางหรือเปล่าเพราะมันชอบไปแล้วอไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามสังเกตถ้าพยายามสังเกตรู้ว่าพยายามให้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องดีก็ได้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดก็ได้ะรู้เท่าที่รู้ได้แน่ใจมันดิ้นคลุกคลักคลุกคลักดืออกไหม ยังดูไม่ค่อยอใจมันกระสับกระส่ายอยู่ ร, รู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ไปว่ามันกระสับกระส่ายอยู่รู้อย่างที่เขาเป็นแล้วบางทีช่วงที่ทํางานเยอะๆพอเราจะเลิกทํางานออกมาอยังปฏิบัติตามรูปแบบบางทีจิตมันก็จะชอบย้อนกลับไปคิดเรื่องงานแล้วบางทีมันก็รู้ว่ากําลังรู้เรื่องที่คิดแต่มันก็ไม่ไม่หลุดออกมาจากตรงนั้น ให้รู้มันไม่ได้ไปแก้มันเขาแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วเขาแสดงอนัตตาให้ดูตอนนี้เราอยากปฏิบัติจิตยังอยากคิดเรื่องงานจิตไม่ใช่เราหรอกดูลงไปจนเห็นความจริงว่าจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันอยากคิดเรื่องงานสังเกตไหมจิตใจนะมันชอบสวนท า, ทางกับเรานะอย่างเราอยากมีความสุขจิตใจชอบวิ่งไปหาความทุกข์เราอยากให้มันเป็นกุศลแล้วมันชอบเกิดอกุศล Maybe. เราอยาก จกเข้าวัดมาวัดอยากจะอยู่บ้านนะอยากจะมาวัดนะคิดถึงวัดตัวอยู่บ้านใจมาวัดแนละพอมาอยู่ที่วัดงานโน่นค้างอยู่ที่บ้านใจหนีกับบ้านอีกแล้วตัวเรากะจิตใจเนี่ยนะมกักจะไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยสมพงกันมกักจะชงกันนะ <c oughs> ให้เรารู้นอะรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อไปนะไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไดไดแต่ห้ามชั่ว ส่วนใหญ่ถ้ามีผัสสะแรงๆคือบางทีเวลามามองย้อนหลังบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นผัสสะที่แรงแต่ว่าพอโทสะเกิดปุ๊บใจมันก็มักจะไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางปุ๊บบางทีก็จะพยายามแก้มันกับทําให้มันยิ่งโมโ oh. หทั้งทั้งที่บางครั้งก็รู้สึกว่าในทางทฤษฎีแล้วเราก็ควรจะรู้เฉยๆแต่ก็เรารู้ทฤษฎีแต่จิตไม่ได้รู้ด้วยคําว่าทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีคือคําว่าทิฏฐิ เรารู้ทิฏฐิศรีนะเรามีสัมมาทิฏฐิแต่จิตเรามีมิจฉาทิฏฐิจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกในทางทฤษฎีในทางทิฏฐิเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแต่จิตไม่ได้รู้ด้วยนั้นการที่เราภาวนาเราให้จิตใจได้เรียนรู้ความจริงไปบัรเล็กปนละน้อยวันหนึ่งจิตก็มีสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีที่ถูกเข้าใจความจริง งั้นเราเรารู้ทฤษฎีกับจิตรู้ทฤษฎีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตไม่ใช่เราเรียนลงไปหนะ้ามันจะมาลงท้ายตรงนี้แหละตรงที่จิตมันไม่ใช่เรานี่แหละแต่อยากให้เป็นเราก็ <c oughs> ต้องทุกไปก่อนจนวันหนึ่งจิตมันเกิดสัมมาทิฏฐินะก็ค่อยคลายออกคลายออกดีแล้วแหฝึกไปอ่าเบอร์เจ็ เรียนธรรมะอย่าเครียดนะเรียนไปสบายๆฟังฟังไปด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกไปจิตใจเป็นยังไงก็คอยรู้ไปด้วยตอนนี้หนีไปคิดและทราบไหมคิดด้วยตื่นเต้นด้วยอ่าใช้ได้คิดรู้ว่าคิดตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นท่องประโยคนี้ได้ไหมจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจำไปหนึ่งประโยคนะ แล้วไปปฏิบัติดูจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอ่าให้พูดได้เดี๋ยวคลุ้มใจอ่ะค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็ลองไปทําดูก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะรู้สึกไหมจิตใจเราสบายมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น รู้สึกเหมือนเป็นคนขี้ลืมค่ะคือว่าเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บพอรู้ปั๊บมันหยุดแล้วมันก็ไปรู้อย่างอื่นมันเหมือนมันลืมไปละจบเร็วดีค่ะถ้าไม่มีธุระต้องจําก็ไม่ต้องไปจํามันบางทียังรู้สึกกลับมาคิดว่าเอ๊ะจบแล้วเหรอเร็วดีเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสั้นนิดเดียวปัจจุบันคือขนาดจิตต่อหน้าเราเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะไม่ได้ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดคนทั่วไปเนี่ยไปหลงอยู่ในโลกของความคิดคิดเป็นวันวันเลย แต่พอเราคิดคิดอยู่เรารู้ว่าคิดปุ๊บขาดเลยใช่ไหมหายไปเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีแบบรู้ปุ๊บขาดกับบางครั้งรู้ปุ๊บไม่ขาดารู้ปุ๊บรู้ไปเรื่อยๆก็ยังรู้อยู่อย่างนั้นระวังถล่ม <c oughs> ลงไปรู้เท่านั้นแห <c oughs> ละรู้แล้วอย่ากระโจนลงไปรู้รู้อยู่ห่างๆเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งกโกรธอะคะ่ะแล้วก็นั่งดูอยู่มันก็ไม่หายนะคะไม่เวลาดูเนี่ยดูด้วยใจที่ไม่เป็นกลางดูด้วยใจที่ลุ้นว่าเมื่อไหรจะหายโกรธเนี่ยเราไม่เห็น เราไม่ได้ดูใจเราแล้วใจเรากําลังเกลียดความโกรธตัวนี้อยู่เราไปดูผิดตัวเราไปดูความโกรธในอดีตอยู่เราไม่ได้ดูความโกรธในปัจจุบันโกรธปัจจุบันคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอยากให้หายไปแล้วเมื่อไหร่จะหายสักทีเราดูผิดตัวนะ้ําเลยไม่หายแต่ว่าพอมันดูไม่ถึงจิตทีวีแวบขึ้นมาตามันไปจับทีวีปับ๊บ รู้สึกเลยว่าความกดมันดับปุ๊บแล้เปลี่ยนที่ไปที่ตรงนู้นเองเลยใช้ได้มันไปเองเลยไม่ได้ทํามันจริงๆนี่นี่เห็นไหมมันไปเองไม่ได้ทําเห็นไหมมันทําได้เองเองนี่หลวงพ่อมีพยานอีกคนละอีกอย่างหนึ่งค่ะหลวงพ่อเวลาใจมันร้องเพลงอะค่ะอมันจะชอบร้องแล้วบางทีดูมันก็มันร้องเป็นแบ็คกราวน์เลยค่ะอเราก็ดูมันไปอย่างนั้นรู้ไปมันกําลังสอนธรรมะเราว่า ฉันไม่ใช่เธอเธอก็ไม่ใช่ฉัน mm. นะเห็นไหมมันร้องเพลงได้เองแต่ที่กวนประสาทที่สุดนันคือเวลามันร้องเพลงวักเดียวร้องซ้าอยู่วักเดียวแบบเป็นเคยเป็นไหมประสาทจะกินําคาญแล้วก็ขึ้นมาอยู่แ ล, แล้วก็เออร้องอยู่วักเดียวอ่ะและ้วก็นักแต่งเพลงสมัยใหม่ที่ให้หวัยรุ่นฟังอ่ะก็คงจับกลไกตรงนี้มว่าจิตมันชอบร้องเพลงวักเดียว ทั้งเพลงมีเนื้ออยู่วักเดียวใช้ได้ใช่ดได้ะค่ะดีตไปเรื่อย<ด>ๆนะคะดีอ่าเบอร์ห้ห้าใช้ได้นะเบอร์เจก็มาส่งการบ้านนะครับหลวงพ่อหายไปประมาณ2สัปดาห์ <c oughs> คราวที่แล้วก็หลังจากกลับไปก็ตามดูรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยฮะตามดูไม่ค่อยรู้สึกตัวจนกระทั่ง มาเริ่มรู้สึกตัวชัดอาทิตย์นี้ตอนประมาณวันอังคารวันพุธครับรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆนฮะหล้วจากที่เคยนั่งสมาธิคืนวันพุธเป็นคืนที่นั่งสมาธิแล้วมันเริ่มเห็นสภาวะเริ่มเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าคิดแล้วพอรู้แล้วมันดับตัดแล้วมันตัดมากขึ้นเรื่อยๆฮะมันคิดแล้วมันพอมันไปรู้มันก็ตัดตัดแล้วตัดป๊อปมันก็คิดขึ้นมาใหม่พอไปรู้มันก็ดับพอไปรู้แล้วมันก็คิดขึ้นมาอีกตลอดนะฮะมันจัุ่มมันขึ้นมาตลอดไม่อยู่เลยฮ แล้วก็ก็หลังจากเปลี่ยนมาใช้วิธีการภาวนาพุโทโธแทนนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่หน้าอกแทนตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าอกหายใจเข้าก็พูดธหายใจออกก็โทแทนนะฮะแล้วคอยตามอย่างที่หลวงพ่อพูดหลังจากทํามาได้พักหนึ่งก็คือรู้สึกทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอะครับรู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วช่วงนี้มันรู้สึกมันมีความสุขบอกไม่ถูกะอะฮะไมรร่รู้สึกรู้สึกแม้มัน เ, นเบาๆใช่ครับแล้วรู้สึกไหมเราเห็นโลกเนี่ยนะเหมือนเห็นจางๆ อ, อย่างนั้นเอ มันไม่ไม่ไม่โดดเด่นมันเป็นคนเป็นสัตว์อะไรจริงจังเหมือนที่เคยเป็นใช่ครับรู้สึกมันมันมันแปลกแปลกก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าผมผมยังประคองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้สึกได้ดีอยู่แล้รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไม่ใจเราเริ่มจืดกับโลกมันจะเริ่มจืดชืดโลกไม่เห็นมีอะไรโลกว่างเปล่าในตัวของมันใจของคุณมันถ้ามันมาอยู่ตรงนี้มจะเริ่มเห็นโลกนี้ว่างว่างแต่อย่าไปประคองไว้ในนี้นะ มันจะอยู่ตรงนี้ก็ได้มันจะหลุดจากตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นยังไงก็ได้ไม่รักษาผมเริ่มเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกครับวันนั้นขับรถอยู่แล้วแดดมันจ้าเข้าตาแล้วมันรู้สึกเอ้ยมันเกิดโทรสะมันเครืองมันําคาญขึ้นมาทันทีมันเริ่มเห็นซึ่งมันปกติมันไม่เคยสังเกตได้เลยแล้วเริ่มสังเกตความอยาของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้ววันนั้นขับรถไปก็เห็นรถคือขับรถกลับบ้านแล้วเจอรถคันเดิม เอ้ก็จำขึ้นมาได้มันเหมือนก็วิ่งข้นมาบอโอ๊ยอันนี้มันรถคันเดิมมันบอกให้มันเป็นสัญญาแล้วมันก็แล้วมันก็ตัดไปเลยอ่ะอรับถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดสังขารมันจะคิดต่อถ้ารู้แล้วก็ขาดไปขับมาก็เจอครับเห็นภูเขาสวยเห็นเมฆเกาะบนภูเขาขับรถมาก็นึกถึงเพื่อนพอนึกปุ๊บมันก็เอ้มันเป็นสัญญาแล้วมันก็ตัดแล้วมันก็ไม่ได้คิดต่อเลยฮะมันทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงๆอ่ะครับอดีแล้วเนี่ได้พยานอีกคนละ ครับแล้วไปเจอคนละวันนะกันเดียวกันแ ล, ล้วไงหลวงพ่อครับแล้วอย่างวันวันอาทิตย์นะฮะผมตื่นมาตอนเช้าแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำฮะแล้วก็เดินรู้สึกตัวไปฮะรู้สึกตัวไปเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วมันมันยืนยืนปัสสาวะอยู่ฮะแล้วมันรู้สึกมันหายใจไม่ออกก็แบบพยายามพยุงตัวแล้วมันก็วูบหมดสติไปเลยฮะล้มลงไปอย่างเงี้ยฮ ะ, ะผมไม่รู้ว่าล้มไปเลยครับ ทีนี้ผมก็เลยแต่คือบังเอิญผมเป็นความดันต่ำอะฮะเคยเป็นอย่างนี้ประมาณสองครั้งนะแต่เกิดครั้งสุดท้ายที่เป็นนี่ประมาณ10กว่าปีแล้วฮะก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วใ่ไจะเหนื่อยเกินไปอะไรก็กได้ <c oughs> ยังไม่เคยเจอนะภาวนาแลว้วบุบแต่ว่าคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับอาการตอนคือลุกขึ้นมาแลว้วบุบคือมันหายใจไม่ทันนะฮะเคยเป็นมาก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวนะไปหาหมอซะ ครับหลวงพ่อครับแล้วขอคําถามสุดท้ายฮะแล้วยังผมตอนนี้ยังต้องปรับอะไรไหมฮะไม่รู้สึกไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะคุณมันเจอไม่ทราบตอนนี้ต้องมีอะไรปรับลดเพิ่มเติมไหมประคองมากไปรคองแรงไปนิดนึงคลายออกหน่อยครับเคยเจอไหมอย่างเราเดินเดินนะเห็นคนนี้สวนมาปุ๊บล้วก็เดินต่อไป อีกแป๊บเดียวไอ้คนนี้สวนไปคนเดิมเดินไปอีกหน่อยนะไอ้คนนี้ใหม่แล้วอ่ะเชิญส่งเป็นบ้า น, นะคะ่ะก็ที่แผ่นมารู้สึกว่าดีขึ้นขึ้นมานิดยนึงอะคะ่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังดิ้นรนอยู่เยอะเพราะอยากจะให้มันดีใจใจมันซึมไปนิดนึงตอนนี้ตอนนี้ซึมไปรู้สึกไหมไม่กับปรี้กับเปล่าค ให้มันคึกคักกว่านั้นหน่อยแล้วไม่มีอะไรจะต้องแก้ไขปรับปรุงเลยแต่ทำจะให้มันตื่นตัวหน่อย active อ้าวคุณรัตนีหลวงพ่อจักรตอนนี้รู้สึกมันอันบนมันใสใสอันล่างมันจมจมออมันมันทุกทุกจมจมเลยจักช่างมันแล้วก็มันเราควรมันอะไร คน ร, รู้ยังไงใช่คะแบบรู้อย่างที่เขาเป็นนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ตัวข้างบนที่ว่าใสาๆเนี่ยนะยังเป็นประคองไวน้นิดหนึ่งดูไม่ออกจ้คะค่ะอยังรักษามันไว้เนี่ยหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะจะทําแบบโอเวอร์แอคชั่นนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ดู อ, อจะเป็นประคองไว้ข้างบนหน่อยๆพอดูออกไหม ยังเลยเจ้ค่ะแล้วยังดูไม่ออกอุสาห์ทำหน้าให้ดูเสมอยหน้าแล้วยังดูไม่เป็นเจ้ค่ะมันข้างล่างนี่มันมันเห็นอยู่อย่างนี้ข้างล่างจมจมลึกลึกแล้วมันข้างล่างเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วข้างล่างเป็นยังไงก็ได้ข้างบนนี้ต่างหากมีปัญหาเมีไ ป, ปจับมันนิ่งๆ่งอยู่อ๋อตอนนี้เริ่มเห็นความนิ่งนิดหน่อยใช่ไหมไปจับมันไว้นิ่งๆแล้วก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งน้คล้ายคดึงหัวขึ้นไปหน่อยแล้วก็นิ่งอย่างเงี้ย แล้วคนทควรให้รู้ทันมันแล้วก็อย่าไปจับไว้นะคะเออข้ายังชั่วไหน่อยละสอนยากนะแต่ละคนอ่ะมันเพราะภาษามนุษย์นมันถ่ายทอดธรรมะไม่ได้อ้าว่าไปขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะจะแนะนำอะไรหลวงพ่อก็ว่ามาขอคำแนะนำเพร่อรู้สึกไหมใจเราเป็นยังไง รู้สึกค่ะหลวง่อเมื่อกี้มันแน่นๆแล้วตอนนี้มันผ่อนผอนอหลวงพ่อถึงต้องพูดให้ตลกใช่ไหมทีแรกอย่างเงี้ยตอนนี้คลายออกแล้วใช้ได้มันคลายออกมาคลายแล้วรู้ไปนี่แหละคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันสบายอย่างนี้แหละตอนนี้ไม่ใช่ลแล้งเริ่มเกรงเข้าไปแล้วใช่ไหมเราไม่เอาตัวนี้ไม่เอารู้สึกเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเจ้าค่ะไปส่งต่อ เดี๋ยวนายแก่แแล้วสอนอย่างนี้ไม่ไหวเหนื่อยใช้แรงเยอะเก่าเทศการหลวงพ่อค่ะวันนี้รู้สึกสดชื่นตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วค่ะ ม, มีความสุขค่ะวันนี้ดีสดชื่นสดชื่นรู้ว่าสดชื่นตัวของจิตเป็นไงก็ตอนนี้ประคองนิดหน่อยค่ะใช่ใช่แต่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้าใจคำว่าถึงหลวงพ่อบอกว่าเปิดของคว่มให้เป็นของหงายรู้สึกว่า มันโล่งมันสบายแล้วก็มันรู้สึกว่าอ๋อนึกถึงคําที่แม่ชีคือบอกว่ามันธรรมชาตินะนึกถึงพี่เต็งนึกถึงคุณชัยแล้วมันก็แต่มันพอสักสามสีวันมันก็กลับมาเหมือนบังค่าเพียงการเข้าใจเข้าใจที่คุณหลวงพ่อบอกพี่นินเมื่อกี้อะค่ะอืมดีแล้วล่ะอ่าแมวค่ะคิด ตอนนี้เพบว่าที่จิตมันไปยึดไว้อะค่ะมันไปยึดภพของความเป็นนักภาวนาเอาไว้อะอ่ะนั่นแหละตัวร้ายเลยตัวนี้แมวยึดมาเกือบสิบปีแล้วที่รู้จักกันนะเราค่อยๆเห็นมากขึ้นมากขึ้นใช้ได้แล้วมันเข้าใจยากเพราะว่าเรารักดีเราอยากดีใช่ไหมเรากลัวทุกเราอยากดีเราอยากพ้นทุกอะไรเงี้ยมันอดทํางานไม่ได้ มันต้องคิดว่าทำอย่างนี้แล้วน่าจะดีทำอย่างนี้แล้วน่าจะดีมันก็ไปทํางา น, นก็สร้างภพขึ้นมาถ้าเรารู้ต่อไปเราไม่ไปหลงอยู่ในภพอันนี้ไม่ไปเคยตื้นในภพอันนีออ้แล้วก็ อ, อ, อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือจิตนะคะมันยังมียังมีความรู้สึกที่คอยไปเป็นห่วงคนอื่นเขาอะค่ะก็ดีแล้วเราก็รู้ไปว่ามันเป็นห่วงคนอื่นดีกว่ามันไปนอาฆาตคนอื่นนะ ให้เรารู้ทันนะแมวอย่าไปดัดแปลงเลยแล้วไงก็ตอนนี้จิตมันมันเกรงเกงกว่าเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้ชามันสบายสบายกว่านี้ใช่ถูกต้องถูกแล้วแมวเข้าใจแล้วใช่ไหมรู้อย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่เขาเป็นไปด้วเราไม่ได้ไปทำอะไรแต่ว่าในใจลึกๆเราทนที่จะรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้เราชอบแอบไปทำไปสร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมา นี่พอเรารู้ทันพบอันนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรพอมันจะแอบไปปฏิบัติเราก็จะรู้ทันใจเราก็จะตื่นขึ้นธรรมดาธรรมดานี่เองเราจะอยู่กับความเป็นธรรมดาความไม่ได้มีได้เป็นอะไรไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้แต่ไม่ชั่วนีไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติก็ได้แต่มีสติเรื่อยๆมันง่ายมันจะกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆอ้าวหญิงเออยอ้อยเอาไปไหนล้ะล่ะยังไม่ส่งกันบ้านเลยอ้อยส่งกันบ้าน อ้อยนี้ภาวนาดีนะอ้อยอะไรเนี่ยชื่ออ้อยอะไรอ้อยเยอะมากเลยวัดเนี่ยอชื่อชื่อจริงนะค ะ, ะอาจารย์ชื่อเยาวนีค่ะเนะยาวณีค่ะเยาวณีอ๋ออ้อยว่าไปอืวันนี้ <จะ S 1> กับเมื่อวานต่างกันยังไงอือแตกต่างกันค่ะเมื่อวานฟุ้งกว่าวันนี้ค่ะอืม แต่วันนี้มันมีความซึมแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะให้รู้ลงไปขอบพระคุณค่ะมันนิ่งจริงนะแต่มันนิ่งแบบซึมไปไม่สดชื่นเท่านิ่งเหมือนกันครับซึมไปนิดนึงนะอ่ะวันนี้มาสการครับหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อที่วัดนี้ครั้งที่สี่แล้วครับคือกลับไปทำความรู้สึกตัวนะครับคือบางครั้งก็รู้สึกว่า หลังจากรู้สึกตัวมันก็สบายรู้สึกมันเบาสบายแต่บางครั้งมันก็ไม่เบาสบายทั้งนั้นที่ในกระบวนการที่ทำความรู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเออดีแล้วนะถ้าเหมือนกันทุกวันมันก็เที่ยงสินี่คือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยวันนั้นวันไหนที่รู้สึกแล้วมันมันไม่สบายนีแ่แสดงว่าวันนั้นทําไม่ถูกหรือเปล่าอะไรวันไหนที่สบายถึงจะทําถูกอย่างนี้เปล่าไม่อย่าไปคนคว้ามากนะ มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงินรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันเข้าใจเองอ่ะไม่งั้นถ้าหลวงพ่อไปบอกว่าวันนี้ทำถูกวันนี้ทาไม่ถูกเนี่ยจะเริ่มไปหาจะไปคน้นคว้าแล้วว่าทำยังไงถึงจะถูกทำยังไงไม่ถูกทันทีที่ลงมือทำแนละ้วผิดหมดเลยแต่ที่มันถูกขึ้นมาเพราะว่ามันรู้สึกขึ้นมาโดยไม่ได้จงใจจะรู้สึกรู้สึกโดยไม่ได้จงใจมจะรู้สึกขึ้นมาแต่ถ้าจงใจรู้สึกใจจะแข็ง อยนางตอนนี้ขนณะนี้ยใจแข็งไปก่อนที่จะจับไมดีกว่านี้นะตอนนี้แข็งเกินลองปล่อยไม้ซิปล่อยเอออยู่ตรงนี้แหละรู้สึกไปนะนี่กรรมฐานปล่อยไม้รู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันแต่รู้สึกไปสบายๆนะโอ้ใจถึงจับไม่ใหม่มาไป รู้สึกว่าคือบางครั้งเนี่ยพอเราคิดสมมุติว่าจะส่งกันบ้านหลวงพ่อนะครับพอคิดมันมั น, ม, นมันมีการปรุงแต่งอะไรบางอย่างขึม้มาแล้วมันเลยทําให้จิตมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่โล่งเหมือนกับใช่ไม่โล่งปกติเนจิตมันต้องได้รับผลของกรรมมันจะแน่นขึ้นมามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาตัวความทุกข์เนี่ยเป็นผลของกรรมเรียกว่าวิบากวิบากผลของกรรมอะไรกรรมก็คือการที่เราจงใจไปคิด เราอยากได้คำตอบไม่ไมีกิเลสก่อนอยากจะมีคำตอบไ้คุยกับหลวงพ่อก็ลงมือกระทำกรรมคือคิดใหญ่คิดหาเหตุหาผลใหญ่ก็เกิดวิบากคือความทุกข์ขึ้นมาใจก็แน่นๆ่นขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้มีกิเลสใจเรามีสติระลึกขึ้นมาเนี่ยใจเป็นกุศลมีสติระลึกขึ้นมานใจก็อิ่มเอิบเบิกบานตัวนี้โล่งๆเบาๆตัวนี้หนักตัวนี้เบาเนี่ยเป็นวิบาก ไมันไม่ต้องไปแสวงหามันไม่ต้องไปอยากได้มันหรือไปปฏิเสธมันมันเป็นผลเท่านั้นเองถ้าเรารู้ตัวถูกต้องมันก็โลง่งเราเข้าไปแทรกแซงบังคับพยายามจะรู้มันก็แข็งแข็งขึ้นมาหนักหนักมีความทุกข์นั้นรู้เล่นๆไปเรื่อยแล้วมีความสุขขออนุญาตอีกสัก2องคำถามนะครับคือว่าบางทีพอรู้สึกถึงอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยครับบางครั้งมันก็เห็นว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไปแต่ว่าจิตใจที่เข้าไปรู้อารมณ์เนี่ยมัน มันเป็นอันเดิมอยู่ตลอดเนี่ครับแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คืออารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเนี้ยรับแต่ใจมันเหมือนกับมันอยู่กับที่คือเรานะเราเราตั้งใจจะไปรู้เกินไปหรือเปล่าใช่วิธีดูต่อไปนะก็คือไอ้ตัวใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็ไม่เที่ยงมันเป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นผู้คิดไปยังเขียนไหมตอนที่มันเป็นผู้คิดเนี่ยตัวผู้รู้หายไปใจของคนซึ่งมีสมาธิมากเนี่ยนะนะเวลาภาวนามันจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมา จะตั้งมั่นเด่นเห็นตัวอื่นเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นตัวมันเองดังนั้นตัวมันเองก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันด้วยการเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดตอนนี้เป็นผู้คิดแล้วเห็นไหมตัวผู้รู้หายไปลแล้วเกิดดับเหมือนกันนะแต่ถ้าดูไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าตัวผู้รู้เที่ยงครูบาจารย์องคหนึ่งหลกูล่าผููเจ้าก็สอนใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฏฐิและยังไม่ได้โสดา ส, สุดท้ายครับคออือคือบางทีไปไปพอพอมีสติที่จะไปรู้อารมณ์บางอย่างเนี่ยครับถ้ามันเป็นอารมณ์ที่อยู่เป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าคือพอดีตอนนี้สุขภาพาไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยครับพอหัวใจมันเต้นไม่ค่อยปกติพอพอมันไประลึกรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายนยคะครับคือมันไ ป, ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราหวงแหนมากเนี่ยครับมันทําสตไไิไม่ไม่ได้แล้วมันก็ยิ่ง ยิ่งพอไปรู้บ่อยๆมันก็เลยยิ่งกลายเป็นยิ่งยิ่งกังวลแล้วก็ยิ่งเครียดเนี่ยครับกังวลแล้วรู้เอานะแต่ว่าไม่ต้องไปคิดมันนะไม่ต้องไปคิดมั น, นแต่ใจกังวลแล้วรู้เอาใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆไม่ดีก็ได้แต่ถ้าหากใจเรายอมรับสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายในใจได้ ใ, น ใ, นใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจยอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นในกายใน ใ, นใจไม่ได้ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเครียด ยกตัวอย่างอย่างร่างกายไม่สบายเราอยากให้มันหายใจเขาจะเครียดถ้ามันไม่สบายเรานั่งรู้ไปเหมือนเห็นคนอื่นป่วยนะใจเราจะไม่ป่วยด้วยแยกกันออกมาต่างคนต่างอยู่ร่างกายกับจิตใจไม่เกี่ยวกันค่อยๆดูไปเลยนะที่ทําอยู่พอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฉยละดี <S <S เดี๋ยวนี้เด็ก <S <S ๆภาวนาเก่งเยอะนะพูดเด็ก <S <S ๆนะคนแก่นี่เริ่มร้อนตัว นมัสการค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านค่ะ<ม>ก็คิดว่าตัวเองนี้คิดคิดทั้งวันค่ะรู้สึกตัวได้ค่อนข้างสั้น<ม>แต่ว่าก็ไม่ได้ไปเวลาโกรธเรารู้ไหมเวลาโกรธเวลาโกรธรู้ค่ ะ, อะคอยดูใจเรานะใจเรามีสองอย่างท้านะทั้งวันใจที่โกรธกับใจที่ไม่โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดใช่ไหมแล้วก็หายหงุดหงิดเดี๋ยวก็อย่างงน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เนะี่ยดูความเปลี่ยนแปลงไปเลย ของคุณใจมันจะขี้โมโหนิดนึง่งเราก็คอยรู้ความโมโหไปเรื่อยๆถ้ามันโมโหขึ้นมาก็รู้นะบางทีก็โมโหมากบางทีก็ขัดใจเล็กๆใจคนจะขัดใจเล็กๆเนี่ยบ่อยแต่มองยากให้เราคอยรู้ไปรู้รู้ใจที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาเช่นมันเกิดความโกรธขึ้นมาเรารู้ความโกรธหายไปเราก็รู้รู้สึกไม่ต้องฝึกเยอะหรอกหรือฝึกของคุณฝึกใจลอยไม่ไหวเพราะว่า มันลอยมากจะว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เงี้ยไม่ไหวมันจะเผลอแวบไปแล้วไปนานนะเราเอาโมโหก่อนโมโหดูง่ายกว่าโมโหมันหยาบกว่าใจไม่พอใจเราก็รู้ใจไม่พอใจแล้วเราคอยรู้ไปเรื่อยๆทีแรกก็อาจจะยังน้อยแต่ว่าต่อไปต่อไปเราจะเห็นเลยว่าความไม่พอใจนะเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาเลยตอนนี้เผลอไปแล้วทราบไหมการส่งไมเมื่อกี้ลืมกายลืมใจนะ ค่รู้สึกนะไม่ยากหรอกค่อยฝึกไปแล้วมีความสุขหลวงพ่อข้ของหนูหลงง่ายแต่แล้วหนูไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะใครๆเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> นานๆรู้สึกตัวทีคะ่ะหนวงพ่อใครๆเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> อยากให้เป็นยังไงอ่ะแบบรู้สึกว่าสองสามวันนี้แบบมีความสุขง่ายอะคะ่ะแล้วก็ <c oughs> หลงอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ <c oughs> เห็นอะไรก็ส so ุขไปหมดเย่างนี้ค่ะแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวว่าเออทําไมอะไรเราก็สุขไปหมดนี่มันจะนานๆรู้ที่มันไม่รู้ทันที่มีความสุขตลอดเวลาไม่ใช่ปัญหานะคนมันมีบุญน่ะมันมีความสุขอ่ะจะทําไมอ่ะความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ความเพลิดเพลินพอใจในความสุขนะหากเราเป็นกิเลสแล้วเรามีความสุขทั้งวันเลยแต่ว่าใจเราไม่ได้ติดในความสุขนี้ใจเราไม่ได้หลงอุ้ย เคล่มปลื่มไปกับความสุขตรงที่ใจเราเพลิดเพลินไปกับความสุขเรียกว่าราคะนั้นความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องให้ละนะช่วยไม่ได้ควรมันมีบุญความสุขเยอะก็มีความสุขไปสิก็ดีกว่ามีความทุกข์นะมีความสุขแล้วก็รู้แล้วก็เห็นว่ามีราคะแทรกอยู่ในความสุขมีความพอใจแทรกอยู่เห็นกิเลสกิเลสดับไปเหลือแต่ความสุขมีความสุขมาแข่งกับหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ยมีความสุข มีความสุขทั้งวันเลยแล้วไงอีกอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าควรจะทำยังไงให้รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้ น, น ะ, ะรู้สึกตัวบ่อยหรือไม่บ่อยนะอยู่ที่ว่าจิตเราจำสภาวะได้แม่นไหมถ้าจิตเรารู้จักสภาวะมากรู้จักแม่นก็เกิดสติบ่อยถนะ้หัดรู้เรื่อยๆเดี๋ยวก็บ่อยไปเองอย่ามัวแต่รู้คนอื่นอย่ามัวแต่รู้สิ่งอื่นให้รู้ใจของเราบ่อยๆ รู้บ่อยแล้วยังน่อก็จำแม่นจำแม่นสติเกิดบ่อยแล้วก็มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นักการหลวงพ่อค่ะเมื่อสักประมาณสองเดือนก่อนหลวงพ่อทักว่าให้ไปดูว่าทําอะไรเกินเกินไปนะคะก็ไปดูคิดว่าพงไปเจอสภาวะทรบาอย่างแล้วก็ไปปรุงแต่งก็ตอนนี้พยายามดูแล้วก็รู้เฉยๆนานมันต้องอย่างนั้นสิ <c oughs> ให้การบ้านแล้วทําอย่างนี้น่ารักนะไม่ไม่ทราบถูกหรเปล่าคะถูก <c oughs> ก็เลยพยายามรู้แล้วก็รู้สึกบางอย่างมันเป็นความรู้สึกอะค่ะก็ أ, รู้สึกไปตามที่เป็นใช่รู้สึกไหมใจเราโล่งขึ้นสบายขึ้น <G ül> มันไม่ค่อยมีทุกข์เท่าไหร่แต่ก็พยายามดูว่าไม่ใช่เราหลงเว้ยก็ใครรู้ทันนะถ้ามันหลงกับความสุขค่ ะ, <อ>คะแล้วก็ตัวกิเลสอะค่ะอย่างโทสะโลภะอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจางลงแล้วก็แต่ว่าตัวโมหะนี่มันยังมีแต่ว่ามันกลายเป็นหลงคิดเป็นเรื่องเหมือน คุยกันเรื่องธรรมะอยู่ในหัวเออนะ <c oughs> ก็ <c oughs> รู้ไปว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ก็รู้รู้รตามไปค่ะฟุ้งซ่านในธรรมะไงค่ะแล้วก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านดีแล้วละ่ะ <c oughs> ทำไมราคาโทสะเบาลงเพราะว่าสติเร็วขึ้นถ้าหากเรารู้ทันจิตที่หลงนะราคาโทสะจะเกิดไม่ได้เพราะราคาโทสะเป็นลูกของโมหะ งั้นถ้าเรารู้สึกตัวเร็วเร็วเร็วราคาโทรศัพท์ก็อ่อนลงเรื่อยๆอ่ะไปส่งตอบไปมีป่ะขออนุญาตครัไม่ทราบมีอะไรต้องแก้ไขไม่ต้องแก้นะรู้ลูกเดียวเลยกําลังดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ให้มันเสียขอบคุณครัใจถึงถึงรู้กายรู้ใจตื่นเต้นค่ะหลวงพ่ออืมนี่หมอคุกไก่ป่ะค่ะเออเป็นไงตื่นเต้นอะไร ไม่มันเข้ามาใกล้ร้อตื่นเต้นแล้วมันก็เลยอึดอจจัดะค่ะให้รู้ว่าอึดอัดน ะ, ะกลับบ้านนะไปซื้อไม้มาอันหนึ่งถือไว้ <c oughs> ให้มันชิน <c oughs> ที่หลังจะได้พออยู่ที่บ้านไม่ตื่นเต้นค่ะร้องเพลงนะอาล้อาวเหรอให้รู้ไปมีอยู่ร้องเพลงแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะ <c oughs> เห็นคนไข้แล้วสงสารรู้ว่าสงสารใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้น เึ่ง ม, มาส่งกานบ้านหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่ไอยากกลัวเลยไม่เคยทำร้ายใครทำตัวสบายๆนะเรียนธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ได้เรียนไว้ให้เครียดเรียนธรรมะแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขธรรมะเป็นชื่อของความดีความสุขถ้าเราฝึกฝนไป ฉนั้นหัดดูอยู่ในจิตใจของเราจิตใจเราแอบไปทํางานทั้งวันเราก็คอยรู้สึกไประยะระยะไปนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วนะมันเริ่มเห็นบ้างแล้วละ่ะมาเรียนนานแค่ไหนเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเคยมาเรียนกับหลวงพ่อเลยค่ะแต่คราวที่แล้วมาได้ได้ฟังหลวงพ่อแค่ก่อนทานข้าวอะค่ะแล้วก็ไปแล้วก็มาครั้งนี้เออนะฟังครั้งหนึ่งได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว สังเกตไหมใจเราโล่งๆขึ้นเบาๆนะเนะื้รู้สึกไปเรื่อยๆแล้ยจะมีความสุขล้วนๆเลยเราจะเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจเราจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะอ้าวแอสตนันเมื่อวานนี้หลวงพ่อทักบอกว่าผมประคองอยู่ครับกลับไปดูก็ เ, เหมือนกับมีความอยากแก้ครับแล้วก็เลยทิ้งมันเลย ก็ออกไปหาผัดษาเพราะว่าจริงๆแล้วสองวันนี้กะว่าจะเก็บตัวจะปฏิบัติอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับปรากฏ ว, ว่าเลยตัดสินใจออกไปคืออยู่ในห้องมันก็จะขี้เกียจนะครับคือพอมันก็จะมีอยู่สองอย่างคือไม่บังคับ<ม>ก็จะไหลไปตามความขี้เกียจก็จะไปนอนจะอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยออกไปข้างนอกเลยฮะไปดูนูน่นดูนี่แล้วก็หาอะไรมากระทบเยอะๆแล้วก็ตอนขับรถมานี่ก็ ครึ่งแรกก็จะเปิดเพลงเพลงรักๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูกิเลสตัวเองว่ามันมันมันจิตมันเป็นยังไงเวลาที่มันได้ยินเพลงแล้วมันชอบไม่ชอบมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครึ่งหลังก็เปิดเสียงหลวงพ่อครับแล้วก็ดูความแตกต่างของจิตอันนี้เป็นอุบายใช่ไหมครับได้เป็นอุบายใช้ได้ดี ตอนนี้ก็กล่าวว่ามันก็ในวันหนึ่งวันนี้ก็เห็นว่ามันจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี้นดีแล้วแอชตันไม่ได้ฝึกเอาดีไปฝึกให้เห็นความจริงว่ามันจเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาบังคับไม่ได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราฝึกให้เห็นแค่นี้แหละค่อยฝึกนะค่อยไปเอาหมอวันนี้หมอก็เยอะวัดหลวงพ่อนะหมอมากวิศวะก็เยอะนะหาหินมาสามสี่ก้อนกว้างไปต้องถูก ไม่หัวหมอก็หัววิศวะอ้าวหมอว่างไงมันมีแต่ขยะรกๆหมอตุ๊กอะไรนะรู้สึกว่ามันมีแต่ขยะรกๆอยู่ทั้งหมดแต่ว่าอย่าไปเกลียดมันนะก็มีบางทีก็ไปเกลียดนะใจเป็นกลางไหมรู้ไปไม่ไม่ไม่เต็มที่ไม่กลางจริงไม่ไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางค่ะนะเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงี้ยดีกว่าเมื่อวานมัน้งหรือเ่าวันก่อน ครั้งที่แล้วหรือว่าวันนี้ดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ว่ามันเข้าไปจัดการแต่หนูมองไม่เห็นแต่หนูว่าตอนนี้หนูเริ่มพอจะเห็นบ้างแล้วเออจะดีละดีละอ่ะหมออีกหนึ่งหมอหมอคมสันสึกใจเต้นแรงนะครับแล้วก็นนมีโมหะมีโมหะคลุมอยู่แล้วก็บางทีรู้สึกหนักๆในหน้าอกเมื่อกี้นั่นนั่งอยู่ก็มีแน่นๆนะใครรู้ไปนะดูเหมือนดูคนอื่นไปอ่ะส่งต่อไปรัฐ ออวันก่อนวันนี้ดีกว่าวันก่อนที่มาดีกว่าดีมิน่าวันนี้นะรีบฟ้าใหม่ด้วยมั่นใจนะถ้าวันไหนไม่ค่อยดีนะคือคือช่วงก่อนนะคะซึมซึมแล้วพอไปตามรู้กายปุ๊บอะคะ่ะเหมือนกับว่าตามรู้กายแค่วันแรกะคะ่ะจิตใจเหมือนมันมีกำลังจนแบบอยากจะออกไปวิ่งหรือรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เห็นสภาวะเออ อยู่ๆก็เห็นร่างกายเป็นโพรมีความคิดข้างในสองสามวันอีกสองสามวันมันก็เห็นแบบเห็นร่างกายเราอะค่ะแต่เห็นเหมือนกับเขามองลงมาปุ๊บเหมือนกับเห็นภาพดีจออะค่ะมันมันเหมือนมันหายไปอะค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกเก่งอะค่ะก็เห็นนู่นเห็นนี่แต่พี่จะเวลาเห็นนะอย่ากระโจนเข้าไปในจอนะค่ะคงเพราะกระโจนเข้าไปหรือว่าเพราะเข้าไปตามแน่ไปอะค่ะมันก็หมดแรงไปเลยสามสี่วันออกมาอยู่ดูอย่างสบายสบาย อย่ากระโดดเข้าจอไปค่ะแล้วที่หลวงพ่อค้างก่อนหลวงพ่อว่ามันเหมือนกับมันขี้เกียจเพราะเหมือนกับพอมันลอยๆแล้วมันมันก็คิดว่าเอเดี๋ยวมันก็คงจะดีของมันเองไม่ไปทํามันปรากฏมันลอยจริงๆริงะคะไม่ได้หรอกอะไรก็เลยเมื่อวานนี้ไปพุทโธพุทโธพุทโธก็ก็ยังเหี่ยวอยู่อะค่ะแบบเศ้าๆเหี่ยวๆไปอะค่ะแต่เมื่อเช้าเราทําเหตุได้แต่แบบอยู่ๆมันก็ดีของมันเองคือไปทําให้ไปทํามันไม่ได้อะค่ะใช่ทำผลไม่ได้แต่ถ้าผลได้ก็เป็นอัตราแต่ก็ ก็ก็คิดว่าเอ๊ยงั้นถ้ามันถ้ามันเศร้าอีกเราก็ไปทําไปทําพุทโธอีกแต่ว่ามันมันมันก็เหมือนกับเมื่อกี้มันจะมาหลอกแล้วอะค่ะแต่ว่าจริงก็คือทําเหตุไปแล้วมันจะดีมันก็ดีของมันเองใช่ แ, แล้วถึงพุทโธ ท, ทุกวันมันก็เสื่อมให้ดูได้เสื่อมอย่าตกใจดีแล้วก็อย่าดีใจแล้วนี่เราต้องพุทโธต่อไปว่าเออพุทโธไปนะะอ่ะได้อีกคนสองคน วันนี้ตั้งแต่เช้าจะรู้สึกว่ามันโม ม, มัวตลอดเลยะคะ่ะแล้วก็มันจะคล้ายๆเมื่อวานตรงที่ว่าจิตที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่ถึงฐานนะคะมันยังรู้สึกฟุ้งๆวันนี้ดีกว่าเมื่อวานมัวก็น้อยกว่าเมื่อวานสงบามากกว่าเมื่อวานโปร่งๆมากกว่าเมื่อวานสบายใจมากกว่าเมื่อวานไม่เหมือนกันหรอก แต่รู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเพิ่มเมืนสบายนี้จะยังมีมากกว่าใช่นะรู้สึกไปวันนี้ฟ้ามันมัวใจมันก็มัวตามอ้าวจริงๆริงนะไม่ได้แกล้งว่าคือสิ่งแวดล้อมอ่ะยังมีอิทธิพลเหนือใจของเราอยู่ต้องอ้าต้องทํายังไงอ้าวไปส่งต่อวันนี้มาหนแรกครับหลวงพ่อครับนมัสการครับ ก็ห่างวัดครับก็มาเก็บเกี่ยวความรู้นะฮะก็คิดว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้ใจจะค่อนข้างสบายนะครับปกติแล้วผมทานยาก่อนมาก็จะเป็นยาที่ง่วงนอนแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่ง่วงเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างนะฮะก็คงจะจาไปแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับ ลองดูนะลองดูฟังหลวงพ่อแล้วใจถึงถึงนะคอยรู้จิตใจตัวเองไปไม่นานหรอกเราจะพบว่ามันเหมือนเป็นคนใหม่ขึ้นมาในร่างกายเก่าเก่านี้เหมือนเป็นคนใหม่เลยเหมือนเราเกิดใหม่มีความสุขมีความสงบขึ้นมาก็ครั้งนี้มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็มามาทั้งครอบครัวออก็นะพยายามพาลูกๆมาเพื่อให้เขา้าเข้าหาวัดค่ะดีดี นูยเคยปฏิบัติในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยตัวของตัวเองไม่ได้มีครูบาอาจารย์ในช่วงนั้นก็เคยนั่งนานพอสมควรนะคะเป็นเกือบปีแล้วก็มีความรู้สึกถึงความสงบขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าใช้อนาปนานสติกาหนดลมหายใจได้นะคะพุทโธแล้วก็นั่งนั่งนานจนมีความรู้สึกว่าเบา แล้วก็เริ่มรู้สึกกำหนดลมหายใจได้ทันเข้าพุทออกโทพอสั้นก็สั้นตา ม, มยาวก็ยาวตา ม, มช่วงนั้นมีความรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาชั่วขณะซึ่งเป็นความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัสว่าจากความสุขของการกินการนอนการเที่ยวนะคะจะแตกต่างกันมากก็อยากจะสอบถามาหลวงพ่อคะ่ะว่าความสุขในช่วงนั้นมันเป็นยังไงอะคะ่ะก็สุขของสมาธินะ เวลาเราทำสมาธิแล้วจิตใจมีความสุขเราก็คอยรู้ไปแต่มันก็ของไม่เที่ยงเมื่อเสร็จแล้วมันก็หายไปเนี่ยเราพยายามดูในใจเราเรื่อยๆนะว่าความสุขเองก็มาชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเนี่ยหัดดูไปทุกวันเลยแล้วก็มีเวลาก็ไปทำสมาธิให้ใจสบายได้พักผ่อนพอหมดเวลาพักผ่อนหมดเวลาทาสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ จิตใจสงบก็รู้จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราทําอานาปนสติอนาปนสติไม่ได้แปลว่าให้เอาสติไปอยู่กับลมหายใจอานาปนสตินะควรจะไปแปลว่าให้เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรามีสติจิตใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้หายใจไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้หายใจเราสงบก็รู้หายใจเราฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วใจเป็นยังไงรู้ใจไปเรื่อยๆเอาลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้น ตัวที่หลักจริงๆคือใจเราแล้วเป็นคนที่ต้องทำมาหากินนะคะทีนี้เนี่ยการทำมาหากินเนี่ยอารมณ์ที่มากระทบกับเราเนี่ยมีเยอะมากนั่นแหละดีนะหมก็เอาไว้ทำวิปัสสนาเนะช่นเราเห็นคนนี้เราหงุดหงิดเห็นคนนี้เราชอบเนี่ยเราดูใจของเราเรื่อยๆไปต่อไปเราจะมีนางกวักประจำบ้านเราค้าขายอะไรนะโอ้คนจะติดเรานะ เพรอะไรเพรเ ข, เข้าใกล้แล้วเรามีความสุขมาเข้าใกล้เราแล้ว เ, เขมีความสุขและจิตใจเรามีความสุขอะไรให้เขาว่าคอยดูใจตลอดเลยนะสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งหลายนยั่นแหละมันจะแสดงธรรมะให้เราดูให้เราตามรู้ไปเราจะเห็นเลยเดี๋ยวความสุขก็เกิดเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โหลงหมุนอยู่ในใจรู้ไปเรื่อยๆอ่นะแล้วมาส่งกันบ้านไปมีไหมได้คนสองคนอ่ะ อา้าคนไหนก็ได้ครับคราวที่แล้วที่มาการาบมาสการหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจิตเนี่ยยังไหลไปกับความคิดให้รู้สึกแทนซึ่งขณะนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเด็กหลงทางอยู่ยังหาทางออกไม่เจอค่ะหลวงพ่อไม่ต้องนะไม่ต้องหาทางออกให้มันหลงไปแล้วเราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปรู้สึกแม่ใจเราสงบกว่าคราวก่อนๆค่ะแต่ว่าคือ มีเพื่อนมีเพื่อนคุณจุ๋มอะค่ะเขาก็สอนวิธีนั่งสมถะนั่งวิปัสนา<ม>ว่าจะต้องทํำยังไงก็ตอนนี้ก็กําลังหัดอยู่<ม>แต่ว่าก็มีอาการแบบเคลียดเคลื่อนเหมือนกันเพราะว่าปกติเวลานั่งจะนั่งหลังค่อมๆแล้วคุณจุม๋มบอกให้นั่งหลังตรงแล้วก็เวลาหายใจก็ต้องหายใจยาวๆจากเดิมที่เราหายใจแบบหมาแบบแมวที่สั้นๆนะคะ เราก็จะเรียนถามหลวงพ่ออีกว่าจิตของหนูเนี่ยเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตนะคะหนูมันคิดมาก okay. หนูก็หนูก็คิดอย่างนั้นอยู่แต่คอนเฟิร์มกับหลวงพ่อก่อนคิดมากอะ่ะให้ดูจิตนะดูจิตไปเลยคนคิดมากให้ดูจิตแล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วก็หัด อย่าไปรู้ที่ลมหายใจเป็นตัวตั้งให้รู้ใจของเราเป็นตัวตั้งนะขอบพระคุณค่ะมาคุณเบอร์19รกราบน้ำมศการหลวงพ่อครับโดยทั่วๆไปผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับแต่เราจะเห็นกิเลสโดยเฉพาะความโลภเนี่ยมันเผาเรามันร้อน เป็นบางครั้งนะครับแต่บางครั้งถ้าเราชอบมันมันก็ไม่ร้อนเราทำตามใจมันก็ไม่ร้อนพอเราจะต้านมันจะร้อนไปเลยครับให้เรารู้มันนะไม่ตามใจก็ไม่ต้านไม่เอาสองอันที่ฝึกอยู่ดีครับผมกังวลอยู่อันนึงครับคือผมนั่งเฉยๆอย่างนี้นะครับมันจะมีเสียงคล้ายๆ ค, ครับเหมือนเราอาหอยสังไปแน่ผูริมทะเลครับ ยังมีเสียงก้องๆเหมือนเสียงจจกระจันนะครับเราฟังมันก็เพลินดีอย่าไปเพลินนะนั่นที่ครับผมใจใจของคุณอ่ะมันติดสมาธิอยู่นิดนึงครับมันติดยืนพื้นอยู่เลยนั่นแต่ตอนนี้มันคลายออกนิดไปเยอะแล้วครับรู้สึกหมมันเหมือนมันมีทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาใช่พอพอพอไปนึกถึงปั๊บมันเงียบได้เลยนิ่งได้เลยไม่เอานะตรงนี้ย้ำรู้สึกไปเคลื่อนไหวให้แรงขึ้นครับให้ผัสสะแรงขึ้นหน่อย ครับจะได้ทิ้งตัวนั้นไปครับมันติดติดตัวนั้นมานานแล้วครับจาทุกครั บ, รบอ่ะไปเชิญ